กลับเมืองไทยเมื่อสอบปลายปีของปีที่สองเสร็จแล้วรอฟังผลสอบอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งประกาศผลออกมาว่าสอบได้หมดทุกวิชาก็เตรียมตัวเดินทางกลับข้าพระเจ้าจำได้ว่ามาถึงเมืองไทยเดือนกรกฎาคม2515วันที่เท่าไรจำไม่ได้แต่จำความรู้สึกได้ว่าเมื่อเครื่องร่อนลงที่สนามบินดอนเมืองนั้น รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขสนนิ่งละลายการไปอยู่ต่างประเทศแค่สองปีทำให้รู้สึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมากแม่บ้านไปคอยรับที่สนามบินดอนเมืองมาพักที่บ้านพี่จำนงอยู่ชั่วระยะหนึ่งลูกชายอายุสองขวบ ก, กว่าอบอุ่นอยู่ในหมู่ญาติข้าพเจ้ายังไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันก็เขียนหนังสือไปเรื่อยจาได้ว่าจับเขียนทางแห่งความดีเล่มสอง ในตอนนี้ไปสอนพิเศษที่มหามกุ่บ้างเขียนหนังสือบ้างก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้เช้าวันหนึ่งนั่งรถเมย์ไปเรื่อยๆยังไม่มีจุดหมายปลายทางไปถึงหน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยตั้งใจว่าจะนั่งเล่นในมหาวิทยาลัยสักพักหนึ่งพ่อรงรถก็ได้ยินเสียงเรียกข้างหลังเหลียวไปดูเห็นคุณจำธรรมริษเป็นรุ่นลูกศิษย์ เคยเกื้อกูลเข้ามาบ้างพอสมควรเขาชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งเขาทางานขับรถทัวร์บริษัทอะไรจําไม่ได้เอาสมุดบัญชีธนาคารให้ดูบอกว่าตอนนี้เขาพอมีสตางค์ขึ้นบ้างแล้วถ้าข้าพเจ้าจะใช้ก็ยินดีให้ยืมข้าพเจ้าตกลงยืมเ้าหนึ่งหมืนตกลงจะผ่านส่งคืนเขาเดือนละเท่าไหร่จาไม่ได้ เงินหนึ่งหมื่นสมัยพอสอนนั้นก็ไม่น้อยสําหรับข้าพเจ้าให้ดอกเบี้ยเขาบ้างเล็กน้อยได้เงินค่าเขียนหนังสือทางแห่งความดีเล่มสองมาแปดพันรวมกันเป็น1800งน 8, บาทพอจะปลูกบ้านเล็กๆได้ในสมัยนั้นคือพุทธศักราช2516พอดีตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่ที่อินเดียนั้นแม่บ้านได้เช่าที่ไว้แปลงหนึ่งหสิบสตารางวา จึงเอาเงินดังกล่าวมาปลูกบ้านชั้นเดียวเล็กๆอยู่ได้สามคนพ่อแม่ลูกเป็นบ้านหลังแรกที่ข้าพเจ้ามีและคิดว่าคงจะเป็นหลังสุดท้ายรู้สึกมีความสุขขึ้นพอประมาณบ้านหาจากบ้านพี่จำนงเพียงมีคูคลองเล็กๆขั้นกลางมีสะพานไม้ข้ามเดินถึงกันได้เมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วอยู่อาศัยได้แล้ว ได้เชิญคุณจาธรรมริศและเพื่อนของเขามาเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อตอบแทนเขาในน้ำใจอันดีงามมิฉนั้นข้าพเจ้าคงไม่มีทางสร้างบ้านได้ในระยะนี้คุณนาสัมอ่างชูเกตได้ทราบข่าวว่าสร้างบ้านก็มาเยี่ยมชมว่าข้าพเจ้าเก่งกลับจากอินเดียไม่กี่วันก็ปลูกบ้านได้ข้าพเจ้าก็ได้แต่หัวเราะเบาๆเพ ร, รารอบบ้านยังเป็นไม้ระแนงอยู่ ด้านตะวันตกเป็นท้องร่องสวนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นลานที่จอดรถของโรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็กงูเงี้ยวก็เลื้อยเข้าออกได้ห้องอาบน้ำอยู่นอกตัวบ้านติดกับรัว้วพื้นห้องอาบน้ำเป็นพื้นระดับเดียวกันกับพื้นบริเวณบ้านตัวบ้านยกพื้นสูงขึ้นตักน้ำจากตุ่มอาบมีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกร้อนรนกระวนกวาย ที่จะไปให้เลือดแก่โรงพยาบาลจึงได้ไปที่โรงพยาบาลวชิระเขาแนะนําให้ไปให้ที่สภากาชาติแต่จําไม่ได้แม่นว่าได้ให้ที่นั่นหรือไปที่สภากาชาติแต่จําได้ว่าได้ให้เลือดแล้วแน่นอนกลับมาสบายใจเพราะได้ทําสิ่งที่อยากทําวันรุ่งขึ้นตอนเสสา ย, สายข้าพเจ้าลงไปอาบน้ํา งูสีน้ำตาลตัวใหญ่โผล่หัวออกมาจากใต้ตุ่มใกล้ขาของข้าพเจ้าประมาณสองคืบข้าพเจ้าขึ้นจากห้องอาบน้ำเอาไม้ยาวไปแย่ๆดูมันก็เลือ้อยไปยังท้องร่องสวนข้าพเจ้านึกทบทวนดูโยงไปถึงเหตุการณ์เมื่อวานวานว่าทำไมข้าพเจ้าจึงร้อนรนกระวนกระวายนักในการที่จะไปให้เลือดถ้าไม่ได้เอาเลือดออกเสียตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้คงถูกงูกัดเอาเลือดออกแน่แรกแถวนี้มีงูพิษเช่นงูกะปะเป็นต้นงูตัวนั้นคงเป็นงูกะปะและตัวใหญ่ซะด้วยโบราณท่านบอกว่าให้เชื่อแรงสังหรณ์ไว้บ้างเาพเจ้าคิดว่าแรงสังหรณ์ก็คืออนุภาพของจิตใต้สำนึกนั่นเองวันหนึ่งเาพเจ้าตื่นแต่เช้าประมาณตีห้านึกอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบ บอกแม่บ้านให้จัดของใส่บาตสักสองสมองค์ธรรมดาไม่ได้ใส่ทุกวันใส่บ้างเว้นบ้างแต่วันนั้นบอกว่าให้จัดของใส่บาตเมื่อแม่บ้านถามว่าทําไมข้าพเจ้าก็คงยืนยันอยู่อย่างเดิมและให้เขาไปคนใส่บาตด้วยเขาก็ทําตามเสร็จแล้วนั่งรถสองแถวไปทํางานกลับมาตอนเย็นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อรถไปถึงหน้าวัดปากน้ํารถชนกันเข้านั่งคู่ไปกับคนขับกระจกแตกลงมาท่วมตัวแต่ก็ไม่เป็นไรไม่บาดเจ็บเขาเลยเข้าใจว่าทําไมเมื่อเช้าจึงลุกเล้าให้เข้าไปใส่บาดเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิที่บ้านไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็จุดธูป บ, บูชาเทวดาและน้อมนึกว่า ถ้ามีเทวดาอารักอยู่บริเวณนี้ท่านจะอยู่ตรงไหนในบ้านนี้ก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้ทำบ้านเล็กๆให้อยู่แต่ใครจะสร้างสารว่ภภูมิไว้ในบ้านข้าพเจ้าก็ไม่คัดค้านไม่ว่าอะไรที่หอสมุดแห่งชาติวันหนึ่งไปหานาวาเอกสมภพพิรมอธิบดีกรมศิลปากรที่กรมศิลปากรท่านมีท่าทีดีใจที่ได้พบ ถามว่าได้งานที่ไหนทำแล้หรื อ, อยังเรียนท่านว่ายังไม่มีแต่สนใจงานหอสมุดแห่งชาติท่านหยิบกระดาษสมุดฉีกขึ้นมาแล้วเขียนจดหมายถึงผู้องนยการหอสมุดแห่งชาติซึ่งเวลานั้นคืออาจารย์แม้นมาศชาวลิตให้พิจารณารับข้าพเจ้าไว้นาวาเอกสมพภพพิรมรู้จักกับข้าพเจ้าตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้าอยู่โรงเรียนเตรียมทหารท่านเป็นสถาปานิก ออกแบบก่อสร้างตึกโรงเรียนเตรียมทหารที่ถนนพระรามสีใกล้สวนลุมพินีท่านมาเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหารบ่อยชอบอ่านหนังสือของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเรื่องพระอานนท์ทราบว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วมีโอกาสได้พบกันและคุ้นเคยกันตั้งแต่นั้นมาเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่อินเดียท่านไปทําธุระที่อินเดีย แล้วแวะมาที่มหาวิทยาลัยพาราณสีได้พบกันอีกคุยกันอยู่นานมีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งท่านพอใจที่ข้าพเจ้าพูดคือข้าพเจ้าพูดว่าเมื่ออยู่อินเดียได้กลับไปเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ได้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหอสมุดแห่งชาติข้าพเจ้าไปสมัครงานที่หอสมุดแห่งชาติ ทางหอสมุดมีท่าทียินดีรับไว้แต่ต้องสอบตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนข้าพเจ้าสอบได้เพราะสอบคนเดียวข้อสอบเท่าที่จาได้คือให้เขียนบทความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าจําไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนั้นกลับจากอินเดียใหม่ๆยังพอเขียนได้เพราะเขียนตอบข้อสอบภาษาอังกฤษที่อินเดียมาพอสมควรและยังใหม่อยู่ ถ้าให้มาเขียนเดี๋ยวนี้คงเขียนไม่ได้เพราะเป็นเวลาถึงสาสิบห้าปีมาแล้วเกือบจะไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษเลยได้อ่านบ้างตามสมควรแต่ตอนนี้ก็อ่านไม่ได้เพราะตาไม่ดีเขาพระเจ้าเขียนบันทึกนี้เมื่ออายุเจ็สิบสองแล้วตอนที่เข้าทำงานที่หอสมุดแห่งชาตินั้นอายุสาสิบเจ็ดตำแหน่งเป็นวิทยากรโทู งานแรกๆที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทางคือการทําบัญชีหนังสือเดือนเดียวข้าพเจ้ากลาออกเพิ่มนวยการบอกว่ามาอยู่เดือนเดียวลาออกเดี๋ยวอธิบดีจะตําหนิท่านข้าพเจ้าจึงยับยั้งอยู่ท่านบอกว่าชอบอยู่ห้องไหนแผนกไหนให้เลือกเองข้าพเจ้าจึงเลือกเอาห้องาศาสนาและปรัชญาซึ่งคิดว่าถูกกับนิสัยของตัว แต่ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากดูแลหนังสือแนะนําผู้มาใช้บริการอยู่มาได้หกเดือนข้าพเจ้าก็ขอลาออกอีกตอนนี้ตั้งใจแน่นอนว่าจะต้องออกเด็ดขาดรู้สึกว่าข้าพเจ้าเสียเวลาไปทั้งวันในการมาทำราชการถ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าไปทํางานของข้าพเจ้าเองน่าจะเหมาะกว่าเพราะเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพร่อยู่ ทั้งยังไปสอนพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏข้าพระเจ้าไปหาท่านอธิบดีกรมศิลปากรเล่าให้ท่านฟังถึงการงานที่ทำและความรู้สึกนึกคิดของข้าพระเจ้าท่านไม่ว่าอะไรท่านเข้าใจและพูดอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าปลื้มใจและภูมิใจลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งว่าในขณะที่ข้าพเจ้าทาราชการอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินั้น ท่านอธิบดีสมภพพิรมได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษระมเกียร์สาหรับเยาวชนมาให้เล่มหนึ่งบอกว่าช่วยแปลให้ด้วยข้าพเจ้าแปลจนจบเสียดายว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้พอส่งต้นฉบับให้ท่านอธิบดีแล้วก็เป็นอันหมดไปเลยหนังสือต้นฉบับเห็นอยู่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองแต่ตอนนี้หาไม่เจอหนังสือขนาดแปดหน้ายก ความหนาไม่เกินร้อยหน้า